เราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบานัน เป็นความภากภูจากรวมม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดั่งคู ต, ต้นโตสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแดงบางงามตาจากวันนี้ไป นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุ ณ, ณธรรมนอบนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันาถาสศรัทธา สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่นโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยมาพูดมาคุยกันนะครับในเรื่องราวที่ที่น่าสนใจนะครับนะซึ่งจากการเปิดเผยของนายวิศนุเครือ ง, งามรอนนะายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับนะในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ ใ, ใช้อำนาจมาตราส4 นะครับนะมีการาให้นายสมชัยศรีสุธิยากรพ้นจากตาแหน่งกรกตว่ามีการหารือกันในที่ประชุมของคลรอมอรนะครับแล้วก็คิดว่าไม่กระทบกับรถแมปเลือกตั้งนะเพราะว่ากรกตที่เหลืออยู่สี่คนสามารถที่จะทำงานได้ตามปกตินะฮะจนกว่ากรกตชุดใหม่จะเข้ามานะครับส่วนนายพรพรเพชรวิชิตชลชัยประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนชก็บอกว่ากกต<ๆ>ที่เหลืออยู่4คนยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่จำเป็นต้องเร่งสรรหากก<ๆ>ตชุดใหม่นะครับนะก็คื อ, อกรอบในกกตเนี่ก็ยังทำงานกันได้เหลืออยู่4ท่าน ก, ก็เตรียมการเลือกตั้งแล้วครับนะที่นายงตรีก็ได้มีการประกาศไปแล้วนะครับว่าจะประมาณเดือนก <c oughs> ุมภาพันธ์ปีปีหน้า2 0ง2นะครับก็ เตรียมที่จะมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่มีพักการเมืองหลายพักไปจดทะเบียนนะพักใบนี่เกือบ 50-60 ิบหกพักแล้วนะครับนะที่จดทะเบียนเพื่อที่จะเตรียม ก, การนะครับในการที่จะเสนอตัวเสนอนโยบายให้พี่น้องไประชาชนได้เลือกตั้งส่วนพักเก่านี่คงจะต้องมีการให้สมาชิกนะฮะของของพักมายืนยันนะครับว่ายังเป็นสมาชิก พักอยู่หรือไม่นะครับนะถ้ายืนยันแล้วก็จะได้เตรียมทำกิจกรรมกันต่อไปก็มีขั้นตอ น, นเกี่ยว ก, กับเรื่องของาการเตรียมการนะครับของของพักการเมืองนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับเรื่องมีความเคลื่อนไหวต่างๆส่วนในส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี่กำลังที่จะมีการพิจารณางบกลางปีนะครับของรัฐบาลที่จะเสนอเข้าพิจารณา ที่ประชุมสอทชวันที่22มีนาคมนะครับซึ่งก็จะมีการพิจารณ า, างบของรัฐบาลประมาณแสนห้ามื่นล้านนะครับซึ่งในพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสอทชออะจะนัดประชุมวันที่22เราจะพิจารณ า, นานล่างพรระบงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจำปีงบประมาณ 2,061 หรือว่างบกลางปีนะครับก็ประมาณ 1 5 0 0 0 0ล้านนะครับนะซึ่งก็จะใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆส่วนของของรัฐบาลอย่างเช่นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็ประมาณ2 4 0 0 0ื่่กว่าล้านนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนนะลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเติบโตจาก ภายในก็ประมาณ 70,000 ล้าน 76,000 ก 76, ว่าล้านนะครับแล้วก็อะการด้านค่าดำเนินการภาครัฐก็ 49,000 ล้านนะแล้วก็มีการแยกเป็นกระทรวงต่างๆนะก็คิดว่าการมีงบลงมากระตุ้นนะครับนะในกลางปีนะถ้าไปในกระตุ้นที่ถูกทิศถูกทางนี่ก็จะสามารถทำให้เศรษฐกษิจนี่ก็กระตุ้นขึ้นมาได้ก็มีโครงการ หลายๆโครงการนะครับที่ลงมาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไทยนิยมประชารัฐก็ดีหรือว่าโครงการแก้ปัญหาต่างๆนะครับกรเกษตรแปลงใหญ่บ้างนะครับหรือว่าในส่วนของกระทรวงต่างๆก็ลงมาแต่ว่าปัญหาที่ในส่วนของผู้นํารัฐบาลย้ําก็คือก็ต้องถือว่าการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นวาระแห่งชาติก็คงจะต้องมีการเข้มงวดเรื่องงบประมาณ การใช้การจ่ายให้รอบครอบรัดกลุ่มเพราะว่าก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยตามกระทรวงหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบคนจนนะครับของพอมอหรือว่าในส่วนของก อ, องทุนเด็กผู้ได้โอกาสของกระทรวงศึกษานี่ก็มีข่าวออกมาก็คงจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะครับ mm. เพื่อที่จะให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะรับฟังเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ เ, เคยยอคลอารอเคียงนอนยิ่งแอ บ, บอุ่นใจนอนแนบหนาวจำต้องลาไปไกลยังห่วงใหญ่ไม่เบาวันนี้เราต้องจาก สามวัย ดังใจิตใจไฟหาคอยน้องคอยคอยพี่กลับมาคอยน้องคอยคอยพี่กลับมาครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ที่น่าสนใจเป็น เรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจากการเปิดเผยของนายพงพานุสเสวตรุนซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็บอกว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ก็ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมา เที่ยวในประเทศไทยเกิน1ล้านคนนะครับซึ่งเพราะว่าตรงกับช่วงเทศกาลตุ๊จีนด้วยนะครับ ม, มีนักท่องเที่ยวจากจีนมาเที่ยวเราถึงล้านสองแสนนะครับขยายตัวประมาณ51เปเซนะครับและถ้ารวมจากนักท่องเที่ยวทุกชาติที่มาเที่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ3าล้านห้าแสนคนนิดของเรานี่ที่มาเที่ยวประเทศเรามากที่สุดก็เป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออก คำว่าภาคเอเชียตะวันออกในที่นี้ก็คงหมายถึงจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้แหละครับนะลองลงมาก็ได้แก่นักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกานะครับนะหรือตะนออกกลางแอฟริกาเนี่ยนะก็เรียงลงมานะแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนี่ปรากฏว่าปีนี้ขยายตัวมากขึ้นประมาณ 19% เกเ นะครับเพราะฉะ น, นี้ตรงนี้ก็เป็นเป็นนิมิตหมายอันดีว่าไทยเรานี้อาจาจะเศรษฐกิจอาจจะกระตุ้นให้ดีขึ้นนะครับเนะพราะเพราะธุรกิจเกียวกัภาคท่องเที่ยวนี่จ้างแรงงานจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสถานการณ์การท่องเที่ยวในเมืองรองนะที่รัฐบาลส่งเสรมิมให้คนไทยเรากระจายไปท่องเที่ยวให้มากขึ้นเมืองรองก็คือคงไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักนะครับนะอย่างเช่น เมืองท่องเที่ยวหลักก็อย่างเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับละยองอะไรพวกนี้นะครับนะหรือชนบุรีพัทยานี่เมืองท่องเที่ยวหลักแต่ว่าถ้าเมืองท่องเที่ยวอื่นๆนะครับเมืองรองอื่นๆเนี่ยนะครับนะก็พยายามกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยไปไปท่องเที่ยวกระจายรายได้ไปแล้วก็สามารถที่จะนําค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักเรื่องอะไรต่างเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้เนี่ยปรากฏว่าเมืองรองเหล่านั้นมีอัตราเข้าพักสูงขึ้นถึง 70% กว่าเปอร์เซ็นต์ ขยายตัวมากนะครับขยายตัวมากขึ้นทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติไปเที่ยวในเมืองรองมากขึ้นโดยที่ขยายตัวอันดับ1เลยก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีจำนวนผู้ที่เข้าไปเที่ยวสูงสุดขยายตัวขึ้น 10, 17เอนะครับนะอันดับ1เลยนะครับนะรองลงมาก็มีนครนายกนะ12อันดับ3ก็คือจังหวัดเลยนะครับ อันดับที่4ี่คือหนองคายอันดับ5้าคือสกลนครนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่บุรีรัมณีอาจจะมีที่ดึงดูดก็คงจะเป็นนักท่องเที่ยวก็จะมุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องของอกีฬาฟุตบอล น, นะครับที่พีบุรีรัมทีมบุรีรัมนีก็ยังเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วก็มีสนามฟุตบอล น, นะที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็สนามแข่งรถนะครับช้างอารีนาแล้วก็ช้าง เซอร์กิตนะครับแต่ที่บุรีรัมย์ที่ประชาชนนักท่องเที่ยวก็ไปนะครับไปเที่ยวกันนะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่ดึงดูดนะครับตรงนั้นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่เราจะเห็นว่าทิศทางของรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมให้ไปเที่ยวในเมืองรองโดยมีมาตรการทางภาษีกระตุ้นนี่ก็ม า, มามาถูกทิศถูกทางและถ้าทำต่อเนื่องก็จะเป็นสิ่งที่ดีให้กระจายมาในภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวยังมาน้อย นะครับโดยเฉพาะทางทางภาคอีสานเนี่ยนะครับนะก็ยังนะักทนะ่องเที่ยวนี่ยังมาเที่ยวน้อยอยู่แต่เมื่อเทียบกับภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกนะถ้ามีมาตรการนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่ดีมากนะครับนะที่กระตุ้นให้มีการขยายตัวนะโดยเฉพาะกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่จัดโดยชุมชนนะครับนะเพราะว่าให้ชุมชนเนี่ยได้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมก็จจะเป็น การแสดงพื้นบ้านก็ดีนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวมาชมวิถีชีวิตชนบทในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินการทําเกษตร อ, อินทรีย์เกษตรผสมผสานเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยลงมาทำํำการเกษตรชมสวนเกษตรก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะมาคุยกับปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิน่นรวมทั้งมาฟังเพลงพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านเนี่ย ก็เริ่มมีหลายจังหวัดที่ที่ได้เริ่มนะการท่องเที่ยวนะแม้แต่ในบางจังหวัดนะครับตอนนี้ละครดั ง, ดงนะครับทางทีบีนะฮะภูเพศนิว่าเนี่ยก็เริ่มมีการให้จัดการสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์ในสมัยพรนารายเนี่ยอย่างเช่นลบบุรีอยุธยาใช้จุดนั้นมามากระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งก็มีคนสนใจไปชมนะครับนะโบราณสถานที่เกี่ยวข้อง กับในเนื้อหาของของละครนะ ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าทาให้คนสนใจที่จะเที่ยวโบราณสถานกันมากขึ้นและสนใจที่จะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับนะซึ่งก็จะกระตุ้นให้อ่าในส่วนของท้องถิ่นนะหือชุมชนเนี่ยเข้ามาฟื้นฟูโบราณสถานนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และให้ประชาชนเนี่ยได้มา ได้มาท่องเที่ยวนะครับ ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะซึ่งในช่วงของต้นเดือนเมษายนนี่ยนะครับนะวันที่ส1มเมีนาถึงหนึ่งสองเมษายนมีเทศกาลขึ้นเขาพนมลุ่งมีการที่จ ะ, ะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวปราสาทหินพนมลุ่งนะครับนะเพราะว่าจะเป็นการจัดประจำปีทุกปีนะมีการแห่ขบวน ของกษัตริย์นะครับที่จะเข้าไปบูชาเทพ ท, ที่พนมรุ้งเนี่ยนะครับมีการจัดกันพเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะมามากแล้ครับสำหรับบุรีรัมย์แล้วก็ยังมีจังหวัดอื่นอีกนะครับนัดจัดางานกันในช่วงนี้นทยอยจัดงานกันไปเพราะาโดยเฉพาะใกล้สงการเนี่ยเม็ดเงนเินเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็คงจะสะพัดอีกนะครับเพราะนักท่องเที่ยวนี่ก็จะเตรียมมาเที่ยวในช่วงสงการซึ่งจังหวัดหลักๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมก็ก็คงจะต้องเตรียมงานไว้รองรับนะไม่ว่าจะเป็นที่นิยมกันก็คงจะเป็นเชียงใหม่หนองคายนะครับนะหรือว่าในส่วนของขอนแก่นโคราชก็ดีเมืองใหญ่หญๆแล้วครับนะที่หาดใหญ่สงขลาหรือพัทยาแม้แต่ที่กรุงเทพซึ่งมีการจัดงานกันมากเกี่ยวกับเรื่องสองการก็จะทำให้เศรษฐกิจกนี้กระจายนะเพราะนั้ น, นการท่องเที่ยวนี่จะเป็น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 ก่อนนอนละฝันคิดถึงกันสัก3านาทีหลับตาลงนอนฝันดีค่ำคืนนี้น้องอย่าลืมลงเก็บ ค, ความสุขสองเรามีรักมั่นคมหากว่าเธอซื่อตรงก่อนจะนอนอย่าลืมสัญญา สัญญาสัญญาก่อนนอนสวนมดมนแล้วกราบมองก่อนจะนอนท่องคําสัญญาว่าจะรักกันตลอดไม่มีเลอกรักรหมดดินหมดฟ้าไม่อาจมาปรารักเราไปก่อนนอน อยากถามเห็นข้อความพี่ส่งหรือยังอยากบอกก็อายเสียจังว่ามนข้างปากรูปดวงใจพี่นอนก็นึกถึงหน้าน้องพองใสก่อนจะนอนหลับไหลเก็บต่อไปนอนฝันละเมอ สัญญาว่าจะรักกันตลอดไม่มีเลิกรักหมดดินหมดฟ้าไม่อาจมาปรารักเราไปก่อนนอนอยากถามเห็นข้อความที่ส่งหรือยังอยากบอกก็อายเสียจัง ว่ามนข้างปากรูปดวงใจพี่นอนกอ น, นึกถึงหน้าน้องพองใสก่อนจะนอนหลับไหลเก็บเอไปนอนฝันละ